กี่วันนะก็จะเข้าเดือนที่สามของการเข้าพรรษาเป็นเดือนสุดท้ายนะสำหรับพรรษานี้เวลาหนึ่งเดือนนี่มันก็ไม่มากไม่น้อยนะแต่ว่าความรู้สึกของเราที่มาจําพรรษาเนี่ยไม่ว่าเป็นพระหรือโยมเนี่ย จะรู้สึกว่าเดือนสุดท้ายนี่มันจะผ่านไปเร็วมากตอนที่ข้อพรรษาใหม่ๆเนี่ยอาทิตย์แรกนี่จะรู้สึกว่ามันช้าเลยเพราะพระที่บวชใหม่แต่ต่อมาก็จะรู้สึกว่าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามนี่มันผ่านเร็วเข้าเร็วเข้าเผอแป๊บเดียวนะก็สองเดือนแล้วนะอีกไม่กี่วันและเดือนที่สามมันก็จะผ่านไปเร็วกว่า เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่เราก็อย่าประมาทนะพยายามใส่ใจาการปฏิบัติให้เต็มที่โดยเฉพา ะ, ะผู้ที่จะมีเวลาเพียงแค่3เดือนหรือในพรรษานี้เท่านั้นสำหรับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าโยม สิ่งที่ต้องระวังอย่างนี้ก็คือการคลุกคลีกันเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมาก็จะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นพอมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นก็จะเริ่มคลุกคลีกันบางทีก็มีการจับกลุ่มกันตามกุฏิบางปีนี่ถ้าเผลอนี่ก็ นัดกันออกไปนะไปหาอะไรฉันข้างนอกนอกวัดนะเพราะว่าอะไรเพราะคุ้นเคยกันแล้วนะก็เริ่มรู้ทางหนีทีไล่แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าพอคุณเคยกันนะก็จะเริ่มมีการหยอกเยาก้ากับเศร้าแย่ พอหยอกไปหยอกมาหยอกแรงเข้าก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็นําไปสู่การกระทบกระทั่งกันอาการกระทบกระทั่งกันส่วนส่วนใหญ่นั่นก็เกิดขึ้นจากการที่คุ้นเคยกันอยู่ใกล้ชิด ก, กันคลุกคลีกันหยอกล้อ ก, กันหรือว่าเกรงใจกันน้อยลงบางท่านก็อยากจะปฏิบัตินะแต่ว่าเพื่อน ก็มาชวนคุยพันศาแรกเดือนแรกสองเดือนแรกก็จะยังไม่กล้ามาชวนคุยแต่บทที่สามคุ้นเคยกันแล้วก็อ้าวลวก็มาหาที่กติบ้างม า, มาชวนคุยมาชวนเที่ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติแต่ก็เกรงใจไม่กล้าพูดแต่ละก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้ พอเกิดอย่างงี้มากเขาก็ระเบิดออกมาแต่ส่วนใหญ่มันเกิดจากความไม่เกรงใจนะเพราะว่าคุ้นเคยกันการหยอกล้อกอันนี่ต้องระวังมากเพราะว่าพอหยอกล้ อ, อ ก, กันแล้วมันก็จะหยอกหนักทีแรกก็หยอกเบาก็เกยทับกันไปกเกยทับกันมาก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ที่ผ่านมานะก็หลายพรรษาทีเดียวที่มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือว่าเกิดการ เกิดความขัดแย้งกันเกิดการกระทบกระทั่งกันมีการต่อว่าด่าทอกันและบางทีก็ไม่ใช่แค่ระหว่างสองคนนะแต่ว่าเริ่มมีการจับกลุ่มกันเป็นพวกนะตั้งตัวเป็นปฏิปักกันก็มีอันนี้พวกเราต้องระวังนะทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่คลุกคลีกันมากเกินไป ถ้าต่างคนต่างอยู่นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะว่าพอรู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วก็คุกคลีกันบางทีคุกคลีกันวันไม่พอนะไปจับกลุ่มกันกลางคืนเสร็จแล้วก็นอนดึกตื่นสายไม่มาทำวัดแบบนี้ก็มีมันจะเริ่มมีอาการหนักขึ้นนะในช่วงท้ายๆพรรานี้แหละถ้าไม่ระวังบางทีก็ ไอ้ความกระทบกระทั่งกันก็อาจจะถึงขั้นต่อว่าด่าดทอแล้วก็ลงไม้ลงมือก็มีนะอันที่นี่เคยมีนะพาต่อยกันนะแต่มันนานมาแล้วนะที่ต่อย ก, ก็เพราะว่าคุกค r ีกันมากคุ้นเคยกันมากเป็นเพื่อนกันเป็นคนภาคเดียวกันคอเดียวกันนะคุกค r ี e ไปคุกค r ีมาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสร็จ แ, แล้วก็เลยวางมวยกัน มันไม่ใช่เกิดเฉพาะที่วัดนี้วัดเดียวนะหลายวัดทีเดียวนะที่พระเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีการคุกคีก็จะเกิดเป็นปัญหานี้ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราระวังนะเดือนสุดท้ายเนี่ยบางคน ร, รู้สึกครลืม อ, อกคลืมใจแล้วเพราะว่ า, าใกล้จะศึกแล้วนะเริ่มนับวันถอยหลังเริ่มฟันหวานว่าศึกแล้วจะไปทําอะไรบ้างจะไปเที่ยวจะไปกินอะไรบ้าง เนี่ยพอพอใจลอยเงี่ยมันก็ลืมตัวนะเสร็จแล้วก็นอกจากการปฏิบัติก็ย่อหย่อนแล้วนะยังทำให้อ่ไม่ระมัดระวังตัวไมร่ระวังวาจาไม่ระมัดระวังการกระทำนะก็นำไปสู่การกระทกระทั่งความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เรานะตั้งตั้งสติให้ดี พยายามดูแลรักษาใจอย่าให้เคลมคร้อยนะไปกับ อ, อนาคตที่วาดหวังว่าจะไปเที่ยวน่นเที่ยวนี้ทำโน่นทำ น, น, ทนี้ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นสำหรับการปฏิบัติเพราะว่าเวลาเดือนหนึ่งมันก็ไม่น้อยนะอาจจะเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละสำหรับหลายคนที่ อาจจะไม่มีโอกาสมาปฏิบัติแบบนี้อีกพอสึกไปหรือพอกลับบ้านไปก็ต้องทำงานทำงานเสร็จก็ติดพันจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็ติดพันยาวหลายคนสึกไปก็รู้สึกเสียดายนะกับช่วงข้อบัญชาหรือช่วงที่ได้มีโอกาสปฏิบัติคือไม่ได้ ไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็นึกอะไรเวลานะที่ได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองสำหรับหลายคนนี่นะการที่จะได้อยู่ปลีกวิเวกหรือมีโอกาสที่จะได้หลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตก็ได้หรือว่า กว่าจะมีครั้งที่สองก็อาจจะเป็นเวลาสิบปียี่สิบปีก็ได้เวลามันผ่านไปเร็วนะปุ๊บเดียวผ่านไปแล้วสิบปียี่สิบปีดังนั้นการที่เราจะมีเวลาโอกาสมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะมันให้ตหนักว่ามันมีคุณค่ามากและต้องทำใจเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกต้องทำใจเผื่อไว้ อย่าประมาทนะว่าฉันอาจจะมีเวลาปีหน้าก็ยังมีปีหน้ามาใหม่ก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราแต่ละคนจะมีปีหน้าหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้อย่าประมาทว่าฉันยังหนุ่มฉันยังสาวฉันยังมีอายุไม่มากสุขภาพฉันยังดีอันนี้เราประมาทประมาทในวัย ประวัตในความเป็นหมุ่มสาประมาทในการมีกำลังวังชาหรือประมาทในชีวิตเราอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกก็ได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเวลามันยังมีอยู่ก็ขอให้ใช้อย่างเต็มที่พยายามหลีกเลี่ยงการคุกคลีระเจ้ัดว่าอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวก็ให้ uh, รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่หลายคนอยู่คนเดียวก็ให้เหมือนกับอยู่หลายคนหมายความว่าแม้จะอยูะคะ่คนเดียวในป่าก็ไม่มีความหวาดกลัวมีความอบอุ่นอยู่เสมอเหมือนกับมีเพื่อนพ้องมาอยู่ด้วยกันส่วนอยู่หลายคนเหมือนกับอยู่คนเดียวก็หมายความว่าอยู่กันมากๆก็ไม่คุกครีกัน ต่างคนต่างก็ทำกิจของตนจะมีการเกี่ยวข้องกันก็ตามวาละโอกาสตามหน้าที่เมื่อไม่มีหน้าที่ก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาบำเพ็ญทางจิตอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวยังมีความหมายว่าใครเขาจะทำอะไรก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ ใครก็จะพูดอย่างไรใครก็จะส่งเสียงดังรบกวนอย่างไงเราก็ไม่ไปพะวงหรือว่าจดจ้องจดจอ่อหรือคอยจับผิดให้เสมอกับว่าคำพูดของเขาการกระทำของเขานี่มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าสกว่ารู้เฉยๆเพราะว่าบางทีเจออยู่กันหลายๆคน เราก็จะรู้สึกว่ามีเรื่องขัดหู ข, ดขัดตาขัดใจเห็นบางคนพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันขัดใจเราทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าเ อ, อิเราได้เห็นได้ยินนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักอยู่คนเดียวนะอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวนี่ยังมีความหมายนะ ลึกไปกว่า น, นั้นอีกนะผู้เจ้าบอกว่าการอยู่คนเดียวในอริยวินัยเนี่ยก็หมายถึงการไม่หลงไม่เพลินในอายตนะหกลูกรดกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นะไม่ใช่แค่ห้านะหกด้วยเลยนะลูกรดกลิ่นเสียงสัมผัสธรมรมอารมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่าไปเพลินนะถ้าเพลินเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวละเรียกว่ามีเพื่อนสอง มีตันหาราคานี้ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวในอริยวินัยยังรวมถึงการที่ใจไม่ไปหลงอยู่กับอดีตนะหรือว่าผวงกับอนาคตนะถ้าใจลอยไปอดีตนะหลหยไปอนาคตเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในอริยวินยัยนะถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวในป่าก็ตามนะอริยวินัยในที่นี้หมายถึงอ่ สิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารจะเรียกเป็นภาษาธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่กันหลายคนอยู่กันเป็นร้อยนะแต่แต่ละคนก็ไม่เพลิดเพลินในอัตนาหกูปบลดกลิกก่นเสียงรำคาญที่เกิดขึ้นกนะ็ใจไม่กระเพื่อมไว้ตามใจก็อยู่กับปัจจุบันไม่ไปอยู่กับอดีตอนาคตอันนี้ก็ถือว่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียว ในทางตรงข้ามแม้จะอยู่คนเดียวในป่าลึกแต่ว่าก็คิดถึงอดีตที่สวยงามหรือว่าฝันหวานถึงอนาคตหรือว่าพวงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ถือว่าอยู่คนเดียวในอริยวินัยให้เรารู้จักการอยู่คนเดียวในความหมายนี้บ้างจะอยู่กันเยอะแยะนะเป็นร้อยแต่ว่าจิตใจก็สงบ แล้วก็ไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวจิตใจก็ค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นทีละนิดเทเลนิ ด, น, ดนะเพราะว่าเกิดปัญญาจากการที่ได้เห็นกายและใจของตัวจแจมแจ้งขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็ให้รู้จักวางใจให้ดีนะบางคนเนี่ยมีความกังวลว่าเหลือเวลาแค่เดือนเดียวนะ ยังไม่ได้อะไรเลยนะผ่านไปแล้วสองเดือนก็จะพยายามเล่งมือเนะี่ยแล้วก็เริ่มมีอาการหน้าดำข่ําเคร่งกับการปฏิบัติเนะเพราะว่าอยากจะให้มันเห็นผลเกิดคุณวิเศษไวๆพราะเวลาเหลือน้อยอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคือบางพวกเนี่ยจะเรียกไปส่วนใหญ่ก็ได้ก็จะเริ่มเฉยแล้วนะเพราะว่า หรือเวลาเดือนเดียวก็เริ่มเพลินไปกับสิ่งนอกตัวแนละ้วคลุกคลีกันบ้างแต่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่ว่าก็มีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งก็คือว่าก็จะเร่งทำความเพียนมากจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อันนี้ก็เป็นการวางใจที่ผิดนะ ถ, ถ, ถ้าทำด้วยใจที่อยาก อันนี้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายมันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วลืมความรู้สึกตัวไปแล้วความรู้สึกตัวนี่มันคือการอยู่กับปัจจุบันวางวางจุดหมายปลายทางวางเป้าหมายนะแล้วก็อยู่กับการอยู่กับปิอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะนะกายเคลื่อนไหวนะก็รู้สึกเมื่อใจคิดนึกก็รู้ทัน ก็ทำแค่นี้แหละถ้าเผลอไปก็ไม่เป็นไรทำใหม่ไม่ใช่ไปไปหัวฟาดหัวเวี่ยงนะ ว, ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเลยนะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหรือว่าควรจะคาดหวังก็คือว่าเกิดชันทะในสิ่งที่ในการปฏิบัติถ้าเรามีชันทะในการปฏิบัติแล้วเนี่ย แม้จะศึกห้าหลาเพศไปหรือไม่จะกลับบ้านมันก็ยังอยากปฏิบัติอยู่นั่นเองนะอย่าไปพววงถึงผลนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไปคาดหวังผลไม่ได้เราประกอบเหตุให้ดีก็แล้วกันทําเหตุให้ดีผลนี่มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะควบคุมได้แล้วก็การเจริญสติเนี่ยผลมันเกิดขึ้นช้าๆนะ หลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าการเจริญสติเนี่ยก็คือการรู้ทีละนิดแต่ต้องทำเป็นนิดนะรู้ทีละนิดนะแต่ต้องทำเป็นนิดก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าว่าการเจริญสติก็อาจจะไม่ต่างจากการตักน้ำให้เต็มแก้วด้วยกระชอนนะกระชอนเนี่ยมันกระชอนผ้านะเวลาตักน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็เหลือน้ำค้างติดอยู่ กัช้อนแค่หยดสองหยดเนี่ยกว่ามาจะเต็มแก้วนี้ก็ใช้เวลานา น, านนะการจริญสติเนี่ยคือการรู้ทีละนิดนะแต่ว่าให้ทำเป็นนิดทำเป็นนิดคือทำสม่ำเสมอถ้าไปคาดหวังผลว่ามันต้องรู้มากๆนะรู้เร็วๆนี่วางใจผิดละนะต้องปรับต้องปรับใจให้ดีปรับใจให้พอดีเฉื่อยไปก็ไม่ใช่นะ หรือว่าหน้าดำขําเคร่งนะเร่งทำความเพียรก็ไม่ใช่เหมือนกันเคยมีเทวดานะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยข้ามโอคาสงสารได้อย่างไรทำอย่างไรพระอถึงข้ามโอคาสงสารได้โอคาสงสารก็คือสังสารวัตรนั่นเองนะคำว่าสงสารในภาษาบาลีกับภาษาไทยไม่เหมือนกันนะสงสารภาษาบาลีคือสังสารวัต สงสารวัฒน์นี่เปลี่ยนเหมือนกับทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะคำว่าโอคานี่ก็คือหมายถึงทะเลพ่วงน้ำที่กว้างใหญ่โอคาสงสารคือสงสารวัฒท์ทอย่างไรพืทเจ้าถึงข้ามสงสารวัต์ได้หรือข้ามโอคาสงสารได้พืทเจ้าก็บอกว่าที่พระองค้าแม่พอพระองค์เนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่เพียน ท่านเวดาก็สงสัยว่ามันแปลว่าอะไรนะไม่พักและไม่เพียรพระองค์ก็อธิบายว่าถ้าเราพักเราก็จมถ้าเราเพียรเราก็ลอยลอยหมายถึงว่าคือลอยเทง่เทงเตงไม่ไปไหนนะพระเจา้าเนี่ยไม่พักไม่เพียรก็คือว่าพระองค์ไม่ปฏิบัติในทางสุดตรง ทางสุดตรงสองทางเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือการสุขาลิการนิโยค ก, กับอัตตะกิรมาานิโยค ก, การสุขาลิการนิโยกคือการหมกมุนในการเพลินในการมสุขนะส่วนการส่วนอตตกิรมาธานิโยกคือการหมกจมอยู่ในทุกหรือว่าการทรมานตนนะอันนี้เราก็ทราบอยแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ก็เคยผ่านมาทั้งสองทางแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทาง แต่ว่าไม่พังไม่เพียรเนี่ยยังมีความหมายมากกว่านั้นนะอาจจะมีความหมายว่านะไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสแล้วก็ไม่บังคับกดกดข่มจิตใจก็ได้หรือไม่บังคับกดข่มกิเลสก็ได้นะคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจไปตามกิเลสนะพอมาปฏิบัติก็เริ่มกลับมาที่จะกดข่มกิเลสนะ กดข่มความคิดต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นทั้งพักแล้วก็เพียงก็ได้หรือว่าท่งจิตออกนอกอันนั้นก็อันหนึง่งหรือว่าเพ่งจิตเท่าหนอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่ก็เหมือนกับพักก็ได้นะ แล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตใจอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเพียนในความหมายที่ผู้เจ้าจัดก็ได้ไม่ทาทั้งสองอย่างอย่างที่วันก่อนก็ได้พูดไว้เกี่ยวกับคำสอนของพ่อเทียนว่าท่านบอกว่าให้ดูความคิดอย่าเข้าไปในความคิดแล้วก็อย่าไปหยุดความคิดให้เข้าไปในความคิดก็สุดตรง หยุดความคิดหรือพยายามตัดความคิดย า, ยามกดกดความคิดก็สุดตรงอันหนึ่งไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือดูนะคือดูดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยนะพวกเราเนี่ยมักจะเวียงไปทางสุดตรงสองทางก็คือส่งจิตออกนอกบ้างเพ่งจิตเพ่งเข้าในบ้างตามกิเลสบ้างต้านกิเลสบ้าง หรือว่าเผลอกับเพ่งพยายามปรับใจของเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางกลางตรงกลางกลางเนี่ยคือทางสายกลางนะแล้วก็รวมถึงการวางใจให้พอดีด้วยพอดีในที่นี้หมายความว่าอย่งไรก็หมายความว่าก็ให้ปรับอินรีย์ของเรานี่ให้พอดีพอดีอินรีย์มันมีอยู่ห้าห้านี่ก็มีสองคู่นะ ก็คือวิริยะกับสมาธิศรัทธากับปัญญาและตัวท้ายคือสติอินีเนี่ยนะอินรีห้าเนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อสองคู่เนี่ยพอดีพอดีคือศรัทธามากไปก็ศรัทธามากปัญญาย่อนก็ก็พาติดทางได้คืองมงาย ศรัทธาน้อยแต่ปัญญามากเกินไปก็เกิดปัญหาไม่ค่อยฟังใครเกิดความถือตัววิริยะมากไปก็ฟุง้งแต่ถ้าสมาธิมากไปก็เฉื่อยเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกับพ่อชงเจเนนะพ่อชงเจนเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับเป็นสี่ห้านะมีสามคู่นะมีสามคู่ซึ่งแต่ละคู่นี่ต้องพอดีพอดีนะ อ่ะที่จริงจะมีสองพวกมากกว่านะแยกเป็นสองพวกจะดีกว่าพวกแรกเนี่ยนะก็คือธรรมวิทยะแล้วก็วิริยะกับปิตินะพวกนี้เป็นพวกชงนี้มันเป็นองค์ธรรมในการตัดสู่ธรรมวิทยะหรือธรรมวิจัยคือการพิจารณาธรรมวิริยะ แล้วก็ปิดติพวกนี้เนี่ยควรนามาใช้เวลาใจเนี่ยหดหูใจหดหูเฉยเนื้อเนี่ยต้องใช้กลุ่มนี้นะทำธรรมะสามตัวนี้แต่ถ้าเกิดใจฟุ้งซ่านนี่ขืนมาใช้ธรรมะกลุ่มนี้นี่ก็จะยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญนะ่เหมือนกับไฟมันลุกเนี่ยก็เติมเชื้อเติมไฟให้มันอันนี้ไม่ถูก แต่ถ้าไฟมันกำลังจะมอดเนี่ยต้องเติมเชื้อก็คือเติมธรรมวิจัยเข้าไปเติมปิติเข้าไปเติมปริยยาเข้าไปแต่ถ้าไฟมันแรงนะก็ต้องเติมน้ําเข้าไปเพื่อลดระดับไฟให้พอดีก็คือเติมสมาธิเติมปัสสติเติมอุเบกขาเข้าไปอันนี้เราว่าเป็นการปรับอินทรีย์ให้พอดีหรือว่าปรับปรับธรรมะให้พอดีนะก็มีอันเดียวที่มีเท่าไหร่ก็ได้นะ มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีคือสติสตินี่เป็นเป็นเป็นเป็นตัวประสานทั้งในอินทรีย์ห้าแล้วก็พวชง7คือถ้าปรับอินทรีย์พอดีหรือว่าให้ให้ธรรมะในพวชงเจนี่พอดีพอดีเนี่ยก็ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็เป็นการขยายความนะของคำ ค, ความความส่งของพู้เจ้าที่ว่าพระองค์เนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่เพียนไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งและขณะเดียวกันก็ปรับอินซีให้พอดีพอดีลหลักการปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวหลักของขอ ง, ของการเจริญสติของพวกเราเนี่ยน ะ, ะการการเจริญสติเนี่ยนะมันก็เป็นการ ช่วยทำให้อินทรีย์ที่เราใช้ในการปฏิบัติเนี่ยมันมีความพอดีๆ อ, อยู่ในตัวอยู่แล้ว เ, เพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าสตินี่มีเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ก็ต้องเจริญสติให้เป็นนะที่หลวงพ่อเตีย น, นสอนว่าให้รู้เฉยๆเนี่ยรู้ซื่อๆเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักที่สำคัญมากนะ หรือที่หลวงพ่อคำเขียนใช้ก็ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยคือถ้าไม่รู้ซื้อๆนะั้นมันเป็นเลยนะรู้ซื้อๆนี้ก็ยังได้พูดไปแล้วนะว่าเมื่อสองสมวันก่าว่ารู้ซื่อๆคือการที่รู้เฉยๆโดยนี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบไม่ผักใส อารมณ์ที่เป็นลบแล้วก็ไม่ไฝ่หาอารมณ์ที่เป็นบวกไอ้การรู้เฉยๆเนี่ยนะที่จริงมันน่าจะง่ายนะเพราะว่ารู้เฉยๆคือรู้แบบที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไอ้การไม่ทําอะไรเลยน่าจะน่าจะง่ายกว่าการที่ทําทําโน่นทนํานี่แต่ว่าพวกเรานี่ถูกฝึกมาให้ทําโน่นทนํานี่ถูกฝึกมาให้มีปฏิกิริยากับทุกอย่างมันก็เลย พอให้อยู่เฉยๆนี่ทําได้ยากนะเราถูกฝึกมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตก็เพื่อให้มีปฏิกิริยากับทุกอย่างอะไรชอบก็อะไรดีให้ความสุขก็ชอบอะไรที่ให้ความทุกข์ก็ชังมา แ, แค่นั้นไม่พอนะพอชอบแล้วก็อยากจะเข้าไปครองอยากจะเข้าไปยึดพอชังก็อยากจะผักใสอยากจะถ้าผักใสไม่ได้ก็หนี นะเหมือนกับที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายก็มีปฏจจิกิยาเวลาเจอภัยก็มีอยู่สองอย่างคือสู้กับหนีแไ่นะ้แพทย์อยู่เฉยๆนี่ไม่ค่อยมีนะ ท, ทั้งที่บางทีอยู่เฉยๆนี่กลับดีกว่าเวลาเจอภัยหลายคนนี่พอเจอภัยก็คิดแต่เดีคือสู้กับหนนะีบางทีการอยู่เฉยๆนี่กลับดีกว่ารอดปลอดภัยกว่า ท่านพ่อหลีท่านเคยเล่าว่าเคยไปชุดงท่านพอหลีว่าโศกาลามไปชุดงในป่าแล้วก็ไปเจอชาวบ้านสองคนนะเป็นลุงกับป้าก็ได้นะเป็นผู้เฒ่าแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นผู้เฒ่านะเป็นผู้มีอายุมีอาชีพหาของป่าแต่ตทั้งสองคนก็เล่าว่าเนี่ย เคยไปหาของป่าในป่าลึกปรากฏว่าจูจๆก็เจอเจอหมีตัวใหญ่มันมาแบบประชิดตัวมากฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายคนที่เป็นเมียเนี่ยก็หนีหนีขึ้นต้นไม้ทันส่วนตัวผู้ชายหรือลุงเนี่ยหนีไม่ทันก็เลย เกิดการพันตูนแต่ว่าคนเนี่ยพลังเนี่ยกำลังมาสู้หนีไม่ได้อยู่แล้วก็โดนหมีตบคนที่เป็นเมียเนี่ยอยู่บนต้นไม้ได้สติก็บอกผัวว่าให้แกงทาเป็นตายให้แกงทำเป็นตา ย, ตายอยู่เฉยๆให้งทำเป็นตายผัวได้ยินก็เลยได้สตินะก็เลยล้มลงตัวลงนอนเลยนะ ล้มตัวลงนอนแล้วก็แน่นิ่งเลยไอ้หมีนี่มันก็คล่อมนะก็คล่อมตัวลุงคนนั้นแล้วก็เอาขาเนี่ยนะพลิกล่างปลามาแกก็ยอมให้พลิกนะไม่สู้ไม่ขัดขืนนะก็ปรากฏว่าลิงไอห้หมีมันก็เลยคิดว่าลุงนี่ตายแล้วแกก็เลยไอ้หมีก็เลยหนีไปล่าจากไป เพราะมันไม่ได้กินคนอยู่แล้วก็มาเล่าให้ท่านพ่อหลีฟังนะท่านก็เลยได้ความเค่ดเออนะคนเหานี่ถ้าจะพ้นตายต้องทําตัวเหมือนคนตายทําตัวเหมือนคนตายคือนิ่งนะปกติคนเหลาเวลาเจอแพายุ น, นี้มันไม่นิ่งหรอกมันก็จะสู้ไม่สู้ก็หนีแต่บ่อยครั้งหนีก็ไม่ทนันสู้ก็ไม่ไหวนะถ้าทํำยังไงอยู่เฉยเฉยเลแต่ว่าสัญชาตญาณคนเหานี้มันไม่ยอมอยู่เฉยหรอก เจอภายแบบนี้มันก็ต้องคิดแต่จะสู้กับนี้อย่างเดียวต่อเมื่อคนที่มีสติเทนั้นถึงจะจะบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆได้บังคับกายไม่ให้วิ่งหนีไม่ให้ต่อสู้ต้องอาศัยสติมากนะแต่ขณะเดียวกันการที่อยู่เฉยๆเนี่ยหรือว่ารู้ซื่อเนี่ยมันก็เป็นตัวสร้างสติได้ไอ้ที่มันยากเพราะว่าเราไม่ยอมอยู่เฉยๆไงใจเรามันคิดจะทำโน่นทํานี่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไอ้เรื่องที่มันน่าจะง่ายก็กลายเป็นยากนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้การลู่ชื่อลู่ซื่อลู่เฉยๆโดยที่ไม่ผักสายไม่ไฝงหานี่มันมันทําได้นะแล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็นผลทางไปสู่อการยกจิตขึ้นวิปัสสนาด้วยให้สังเกตปัจจัยแล้วนี่มันจะมีปฏิกริริยากับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอ ไม่ชอบก็ชังไม่ยินดีก็ยินไล่นะไม่ผักสก็ไฝ่หานะลองฝึกใจให้รู้เฉยๆดูรู้สู้ซือดูนะบางครั้งมันอยากจะหนีนะหนีก็ได้มันกันนะ่ใช่มีความโกรธไปรู้ไปไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ทันความโกรธได้ก็เอาใจมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นการหนีนะหนีอารมณ์โกรธ มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าถ้าพูดง่้ยสมัตนะิก็คือทําให้ใจสงบได้หรือเวลาปวดขาเนี่ยปวดท้องก็เอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็เรียกเป็นการหนีก็ได้นะเป็นการหลบมันก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับ ก, การปฏิบัติที่เป็นสมัตนะิแต่ถ้าเป็นการเจริญสติเนี่ยให้เราลองที่จะรู้มันดูมันมแต่ใหม่ๆนี่บางอารมณ์ก็สู้มันไม่ได้นะเช่นง่วงเนี่ยง่วงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเอ เอาน้ำรูปหน้าเปลี่ยนอเดียบทบ้างหรือว่าถ้าเรานั่งมากๆมันปวดมันเมื่อยนะยังไปไปรู้อารมณ์ไม่ทันไปรู้เวทนาไม่ไหวก็เคยื่อนขยับนะใหม่ๆก็ต้องหนีอารมณ์บางอารมณ์บ้างหรือหนีเวทนาบ้างแต่ต่อไปก็ให้เราลองฝึกที่จะดูนะหรือว่าดูแบบรู้เฉยๆดนะูเห็นไม่ค่อยเป็นอันนี้มันจะฝึกให้เรา ไร้รู้ที่จะเกิดปัญญาเป็นการข้ามจากสมถะไปสู่วิปัสสนาได้แล้วก็พูดกันเท่านี้นะคำนี้เอากลับมาพร้อมกัน